23การพิจารณาไตรลักษณ์ของกายและใจวงเล็บเปิด4มีนาคม2551ในวงเล็บ1วงเล็บปิดผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเช่นเวลารู้ลมหายใจก็ไปกำหนดลมหายใจก็หายใจไม่เหมือนปกติไปบังคับลมอะไรอย่างนี้จะเดินจงกรมจงกรมจริงๆแปลว่าก้าวไปเราก็ต้องมีกระบวน่าในการเดิน1ก้าวต้องมีเท่านี้จังหวะ หายใจลมต้องกระทบเท่านี้ฐานเท่านั้นฐา น, านแต่ละสำนักก็แตกต่างกันบ้างจะทำอะไรก็มีกระบวนท่าขึ้นมาทั้งหมดเลยอันนั้นเป็นแค่อุบายของอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าสอนแค่ภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวให้รู้ว่ายาวท่านไม่เห็นบอกว่าลมกระทบตรงไหนบ้างท่านสอนภิกษุทั้งหลายถ้าเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านสอนให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าเดินหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะ สิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาก็หวังจะช่วยให้เรามีสติมันมัดเป็นปล้องๆๆหวังว่าจะไม่ขาดสติเป็นแค่อุบายเท่านั้นแหละบางคนก็ไปติดอุบายจนลืมหลักคิดว่าต้องเดินอย่างนี้ถึงจะบรรลุไม่เกี่ยวนะคนขาเป๊เดินขยเยกขยกถ้ามีสติเห็นความจริงของรูปเห็นรูปที่กำลังเดินขยโหขยกอยู่นี่แหละว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตซึ่งเป็นผู้รู้รูปว่าไม่ใช่ตัวเรา ก็เป็นพระอาหารหันต์ขาเป๋ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเดินในกระบวนท่านี้ต้องยกเท้าสูงเท่านี้ไม่จำเป็นเลยนั่นคือสิ่งซึ่งเป็นอุบายเท่านั้นเองฉะนั้นหลักแท้ก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจถ้าเมื่อใดเราไม่รู้สึกตัวเมื่อใดเราขาดสติเราจะลืมกายลืมใจกายมีอยู่แต่เหมือนหายไป จิตมีอยู่แต่เหมือนหายไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่เรื่องราวที่คิดคือสมมติบัญญัติทั้งหลายเท่านั้นเองสิ่งแรกที่พวกเราทำคือรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาคืออะไรก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจพอรู้สึกแล้วสติตามรู้กายตามรู้ใจเนืองๆก็จะเห็นความจริงของกายของใจในขั้นของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลักง่ายๆเลย คือกายเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นคําว่าในเครื่องหมายคําพูดเป็นอย่างไรคือเป็นอะไรก็คือเป็นไตรลักษณ์นั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นอย่างรู้กายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนี่ไม่ใช่วิปัสนาเพราะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงของแท้เป็นสิ่งซึ่งเปรียบเทียบขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงของแท้ฉะนั้นเราต้องรู้กายรู้ใจเห็นกายเราไม่เที่ยง เห็นกายเราเป็นทุกข์เห็นกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเห็นจิตว่ามันไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังง่ายเพราะว่ามันเกิดดับเร็วดูกายดูรูปมันเกิดดับช้าฉะนั้นเห็นอนิจจังยากกว่าแต่เห็นอะไรง่ายเห็นทุกข์ขังง่ายกว่าฉะนั้นกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นอนัตตาได้ง่ายทั้งกายทั้งจิตเห็นอนัตตาง่ายแต่กายเห็นทุกข์ได้ง่าย จิตเห็นอนิจจังง่ายแต่ทั้งคู่ก็เห็นอนัตตาได้อย่างอนัตตาของกายก็คือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราพอสติตัวแท้เกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกสบายบางคนกำลังส่องกระจกอยู่นะหรือกำลังหวีผมอยู่ขยับมืออยู่รู้สึกเลยว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ถามว่าตัวอะไรรูปนั่นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา พวกเราหลายสิบคนฝึกมาจนเห็นตัวนี้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้มันไม่ใช่เรานี่เห็นอนัตตาของรูปอนัตตาของจิตของนามธรรมาดูอย่างไรดูเราบังคับไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตจะเกิดที่ตาหรือเกิดที่หูหรือเกิดที่จมูกหรือเกิดที่ลิ้นหรือเกิดที่กายหรือเกิดที่ใจเลือกไม่ได้เขาเป็นไปเองทั้งสิ้นเลย นี่เราดูลงไปจนเห็นโอ้จิตเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นไปเองเราบังคับมันไม่ได้ส่วนกายมันเป็นอนัตตาแต่เรารู้สึกว่าเราบังคับร่างกายได้ก็ต้องดูอีกมุมหนึ่งของกายที่เป็นอนัตตาคือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างนี้อนัตตามีหลายนัยยะนะพวกเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะจุดเบื้องต้นอย่าลืมกายอย่าลืมใจ